ธรรมะคือของมีอยู่ธรรมะเป็นสภาวะอันหนึง่งมีอยู่ในโลกอันนี้มีผู้บงบวงไปของที่ไม่อยู่ทั้งหมดในโลกอันนี้จะเป็นดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขา mm hmm. เรือมนุษย์สัตว์ต่างๆเกิดก่อนพระพุทธเจ้ายังไรท่นนั้นัสรุ มีความเกิดมีความแก่ความเจ็บความตายมีทุกทรมานมีความทะเยอะทะยานดิน้นลนกระเสือกกระสนอยากหนีจากทุกถ้าสัตว์จำพวกใดที่มีสมองดีหรือมีสติปัญญาค่อยพัฒนาเจริญขึ้นมาบางแล้วก็พยายามทรมานตนฝึกฝนตนเช็นพวกรือสีวิชาทอดหรือพวก ดาบบทต่างๆออกมาเป็นพทษผมให้จันทรมานร่างกายจิตใจของตนเพื่อต้องการอยากยัคนจากทุกข์เพราะมาเห็นทิตใจของเรายังมัวเมาแล้วลุ่มหลงอยู่ในเรื่องสมมุติบัญญัติหรือลุ่มหลงในเรื่องของโลกทั้งหลายเหล่านั้นว่าไม่ใช่ทางคนจากทุกข์พูดกัง่ายๆเลียว่าเห็นไป็ของไม่มีสาระ เนี่ยที่ท่านออกปฏิบัติผู้มีหมองดีๆหรือมีวคจิตปัญญาฉลาดเฉียบแหลมเรียวกว่าจิตใจพัฒนาขึ้นมากดสัตว์ทั่วไปนั้นท่านเห็นไวของมีสาระจึงออกบำเพ็ญตัปทับมีบำเพ็ญฌานสมาธิสมาบัติเป็นต้นตามความสามารถของตนแต่ถึงขนาดนั้นเ็นยังไม่พ้นจาก คือไม่พ้นจากทุกข์โดยชินซึ่งได้รับควาตสุข บ, บ้างตามสมควรแก่ฐานะของตนเช่นอย่างอ า, าลาและดาบทอุตการะบุตรไอที่พระ เ, เจ้าทรงไปศึกษาอยู่ในสำนักของดาบททั้งสองได้สำเร็จฌานสมาบัตเหมือนกัน องหนึ่งได้สําเร็จฌานสมาบัติเจ็ดองหนึ่งได้สมาบัติแปดแต่ก็ไม่เป็นทางพ้นจากทุกข์คือยังไปติดอยู่ในฌานนี่แหละที่ผู้กงกล ง, กลงเรียกว่าทำไปของมีอยู่อันนั้นคือธรรมนะั่นเรียกว่าธรรมเป็นของมีอยู่แต่นั่แต่ไรมาค่า น, นี้พุทธเจ้าก็แสวงหาทางพ้นทุกข์เหมือนกัน จึงมาคนา้นคว้าตามตำลับตำลาที่ได้ศึกษามาแต่ก็ไม่มีทางที่จะค้นจากถกได้ถึงขนาดทรมานพระองค์อย่างที่เราได้ทราบในพุทธประวัติบทปัิยาอาหารบำเพ็ญตะปะธรรมจนกระทั่งไม่ทานอาหารจนในผลที่สุดขนาดก้านลมหายใจเข้าออก เพราะเห็นว่าลมหายใจระบายลมหายใจมันนำมาซึ่งอารมณ์ถ้ากั้นลมหายใจะจะไม่มีอารมณ์ดังทรามาเคยอธิบายใหฟังถ้าหากเราอยากจะรู้จักใจเดิมของเราแท้ๆนั้นไม่มีอารมณ์กั้นลมหายใจดูก็ได้เพราะเรากั้นลมหายใจสักพักหนึ่งความคิดความนึกความสงสยัย ความเดือดร้อนก็ลึกความดีใจใช่ใจหายมดไม่มีอะไรเลยนิ่งเฉยอยทีเดียวนั่งใจเดิค้องเดิมแท้ๆแต่เราอยู่งั้นอยู่ไม่ได้เมื่อไม่หายใจมันก็จะต้องตายเทั้งก็จะต้องระบายลงออกมาเมื่อระบายก็มีอารมณ์ขึ้นมาเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมัง และที่เที่ยวกั้นลมหายใจเขาจะเป็นทางเพื่อพ้นจากทุกรพระองค์จึงได้ทรงปฏิบัติแต่ก็เปลี่ยนไปไม่ได้เห็นนั้นทางนั้นยังไม่ใช่หนทางพระองค์ยังเหงานสนคน้นคว่าโดยควรสา ม, มารถอ่านหาของพระองค์เองซึ่งพระองค์ได้เคยประสบมาบ้างแล้วในเมื่อพิจารณาลมหายใจเข้าออก จิตใจจดจ่อแน่วแน่อยู่ในลมหายใจของทายเดียวจกนกระทั่งจิตรวมแน่วแน่เป็นสมาธิในตอนนั้นพระพุทธองค์ยังทรงเป็นพระราชกุ ม, มารอยู่ได้ทรงกระทำอยู่คนเดียวตามเรื่องเล่าไว้สมัยนั้นพระญาติพระวง์ไปแลกนากวันทอดทิ้งพระองค์ผูกเปรไว้ใต้โ้มไม พระ อ, องคิดสบายขึ้นมาภายในใจคิดอยากภาวนามาทำภาวนารมาธ่อย่างวานจิตได้รวมลงไปได้เกิดมาเซ จ, จันพอพี่เรียงนางนมกลับขึ้นมาเห็นตะวันบ่ายไปแล้วแตกเงาต้นวายังไม่สายไปตามยังเหมือนกันกับตะวันเที่ยงปกคลุมเป็นบริบวนทนอยู่ปกติ เกิดมาจะจันทร์ใหญ่โตยังพาันเข้าไปกราบไปไหวพ้พระญาติทุองทุกท่านทุกองค์ไปกราบไปไหว้พระองค์ลึกถึงเรื่องนั้นยังเคยมาปฏิบัติในผลที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระสมสัยสามภูตีเจ้าอันนี้เล่าเรื่องก็เป็นแนวทางที่ว่าธรรมะเป็นของมีอยู่ ไม่ใช่พระองค์นำมาจากอื่นจากไกลไม่ใช่ไม่ใช่นำมาจากที่ไหนแท้ที่จริงคือธรรมะมีอยู่แล้วในนี่ทั้งนั้นแต่พระองค์มาพิจรารณาเห็นตามสภาพเป็นจริงแล้วทอดทิ้งไม่ยึดถือเอาเป็นตนเป็นตัวก็เลยเป็นอนันว่าวางอุปทานอาคารถอนอุปทานขาคารได้ก็เป็นว่าพ้นจากทุกนั้นผมเป็นแนวทาง ครานี้จะพูดถึงเรื่องเนียปฏิบัติเฉพาะพวกเราทุกคนมีธรรมเหมือนกันคือตัวของเราเรียกว่าธรรมธาตุได้ไก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีครบมดทุกคนไม่มีใครบกพร่องสักคนเดียวได้ท ร, ร ม, มาแล้วแต่เรายังไมง่รู้จักทรรมจึงให้แยกธรรม กับคำสองพระพุทธเจ้าออกไป็นคนละอย่างคนละอันกันใช่ก่อนให้พิจารณาตรงทรรม่ไหก่อนแล้วยังค่อยพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาคือคำสอนองธรรมปุรุทำอย่างที่ว่ามันนี่แหละคือธรรมธาตุนาในเก่ตัวของเราคิดค้นพิจารณาถึงตัวธาตุดินวัตถุที่เป็นของแข็ง ปรากรูดในตัวของเราตั้งแต่ผมขนเล็บเป็นต้นไปพิจารณาดูถึกสภาพอันนี้เป็นอยู่ตั้งแต่เกิดมาเราได้เพราะวัตถุทุกสิ่งทุกระการมียู่ในตัวของแราไน้ำมีน้ำดีน้ำสเสดเป็นต้นซึ่งปรากรูดในตัวของซึมซาบอยู่กับดินนั่นแหละน้ำกับดินซึบซาบเดยครับนะ เมื่อน้ำกับดินมีอยู่แล้วไฟกับลมก็อาศัยดินน้ำเหมือนกันดินน้ำอยู่ตรงไหนไฟลมก็ต้องอยู่ตรงนั้นถ้าดินน้ำไฟลมนั้นสลายไปไฟและลมก็อยู่ไม่ได้หรือลมนี้สลายไปดินน้ำก็อยู่ไม่ได้เป็นของอาศัยกันอย่อยางนี้ เราจะพิจารณาทำไมท้าไปงานเราพิจารณาไงพิจารณาเพื่อประโยชน์อยาภัยพิจารณาสิพิจารณาเพื่อให้รู้ที่เราไม่รู้นี่แหละไม่รู้ทำนี่แหละยึเอาอันนี้แหละมายึดเป็นตัวมาเป็นเราถือผมก็เป็นของเราคือขนเล็บฟันนั้นก็เป็นของเรา ไม่อาไว้ทยาศาทุกชิ้นทุกส่วนที่มีเลยนี่เนี่ยคือเป็นของเราทั้งนั้นเมื่อถือเป็นของเราเสร็จแล้วมันก็มีความเสียดายอะไรในเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามกับปัฏฐาสิ่งนั้นถ้าหากเกิดวิการหรือวิปริตแต่ปวนขึ้นมาเช่นเราเจ็บหัวปวด เราเป็นแผลบึกวักแล้วก็เข้าใจว่าเราเจ็บหัวแล้วปวดท้องเราเป็นแผลถือว่าเป็นของเราถ้าพิจารณาเห็นเป็นธาตุดิดธาตุมันมีกาแผลมันเกิดขึ้นจากมันของมันไม่ปกติมันปวดมันเจ็บศีรษะที่เราปวดไม่ใช่ศีสาะจ็บ แค่ที่จริงคือว่าใจเราไปยึดมันจะรู้สึกเจ็บอะไรทำให้มีใจคงจะเคยเห็นในป่าชาติก็โลกศีรษะก็ตามหรือว่ายังมีหนังห่มหอยประชังอยู่ในป่าชาติขอโทษ ถ, ถึงแม่สุนัขจะไปกินไปแง่ก็ตามแต่ยี่แย่งกันโดยระกาต่างๆมันไม่เคยจะยึนมันจะเจ็บจะปวดมันไม่เคยร้องขอนขางเลย เนั่นป่าเถจากวิญญาณแล้วหายวิญญาณไม่ได้แล้วที่ทุกเพราะเหตุที่เราไปยึดต่างๆเป็นแผลที่ไหนก็ตามเถอะจะเจ็บจะปวดก็เพราะตัวใจนั้นไปยึดถ้าหากเราถือว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุารมันบินหรือว่ามัน ทังไปด้วยประการใดก็ตามเถอะมันเป็นแผลในประการใดก็ช่างเถอเรื่องดินต่างหากเรื่องของดินต่างหากไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลเราเขาเป็ทธาต ด, ดินเป็นข้อดินข้อ น, นแล้วเราก็จะไม่ไปยึดการที่เราปล่อยวางเท่านั้นจิตจะรวมชนิดเลยประโยชนหนึ่งส่วนเป็นเอกเทศส น, น จะไม่เข้าไปผัวพันกับถึงร่างกายถ้าหากจิตนั้นรวมได้อย่างสนิททอดทิ้งได้อย่างสนิทสนมจริงจังจังถึงแม้จะเป็นไข่สันตธานอย่างก็ตามเพราะใจนั้นปล่อยวางลงไปจะไม่รู้สึกเลยเรืองการหนาวสันตธาต น, นั้นจิตจะไปรวมอยู่เพียงตรงกลาง บางครั้งบางค่าวอาจหายไปเด็ดขาดเลยการหนาวเป็นไข้สัตว์ท่านก็หายไม่รู้ตัวกันนี่แหละที่เราพิจารณาเพื่อเห็นตาเป็นจริงถ้าจริงแล้วไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราเห็นไม่จริงจึงเป็นตนเป็นตัวจึงเป็นเราเป็นเขาอัจฉริยมานาเกิดขึ้นมาเพราะไม่เห็นต ปล่อยวางไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นคั่วหาข้อเท็จจริงเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วปล่อยวางได้อย่างนั้นแล้วหายได้จากความทุกขเวทนาคนทุกขได้ไม่ใช่หนีไปอื่นไกลพ้นทุกข์ได้ตรงที่วางถอนอุปทานเท่านั้นชัดประจักษ์แจ้งในพระไทยของพระองค์แล้ว จึงได้สอนวิธีปล่อยวางวิธีพิจารณาแก่พวกพุทธศาสนิกชนให้ดงเนินตามรอยที่พระองค์สเสด็จไปนั้นคำสอนนั่นแหละคือพุทธศาสนามีให้แยกกันอย่างนี้ธรรมะกับพุทธศาสนาให้แยกกันถ้าหากว่าเราแยกอย่างนี้ได้แล้ว เราจะตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาแต่ทำรรคือเห็นเป็นาธาตุสีน้ําไปลุทุกสิ่งทุกส่วนที่ปรากฏเห็นด้วยตาที่เป็นวัตถุล้วนแต่เป็นดินน้ําไปลุเมื่อพิจารณาอยู่เรายังจะเห็นทราบซึ่งก็ไปถึงอีกถึงเรื่องนามาทําคือจิตใจผู้คิดผู้นึกผู้ยึดผู้ถือผู้ส่งผู้ใส่ก็จะเป็นสักแต่ว่าธรรมา อย่างความวิปลิตแ ป, ปรปวนสภาพของความวิปลิตแ ป, ปรปวนเช่นร่างกายของเรามันแก่อย่างที่เราปากััสวดว่าชาราธรมมโหิมันเจ็บ เ, เรียกว่าพญาทีธรรมิหตมันตายมันแตกเรียกว่ามรณะธรรมโหติคือมาด้านธรรมนั่นเองพญาที่ธรรมนั่นเองชาราที่ธรรมนั่นเอง ลักษณะที่มันแปลลักษณะที่มันแปลปวนไอท่าศีไปปวนนั่นก็เป็นธรรมจิตใจก็เป็นธรรมขึ้นนามาธรรมอย่างที่ท่านแสดงสอนจักรสุธาดเรียกว่าจักรสุทาตุรูปธปาตุเรียกว่ารูปธาตุรูปกระทบกับตา คือแสงกระทบกับตาให้เกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าจักสูอิ ญ, ญาณธาต์ในท่านสอนใน ห, หมทุกสิ่งหัึงอย่างสอนพวกเราสอนในโมดสอนให้รู้จักกับเป็นธาตุโสตคือหูกับเป็นธาตุสัทธคือเสียงก็เป็นธาตุหูก็เสียงกระทบกันขึ้นเกิด ค, ความรู้สึก ก็เป็นธาตุเชิวหาธาตุละศาสไอเชีวหาธาตุคันธ า, าตุกรีนกับจมูกกระทบของเขาเกิดความรู้สึกล้วนแต่เป็นธาตุนะลีนกระทบกับรสเกิดความรู้สึกขึ้นก็ธาตุทั้งทั้งนั้นกายกับสัมผัสถูกต้องเขาเกิดความรู้สึกขึ้นก็เรียกว่าธาตุทั้งสมใจคิดนึก อารมณ์ต่างๆคือดีได้ชั่วหยาบได้ละเอียดสุกขทุกข์อะไรต่างๆเกิดขึ้นเกิด ค, ค, ค, ความรู้สึกที่เขาเรียกว่าธาตุท่านเรียกว่าธาตุสิบแปดคือสามหกสิบแปดนั่นเองไม่ใช่ใครดิไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดิธาตุทั้งนั้นดิมีท่านสอนใหมดแล้วแต่เรายังไม่ยอมเชื่อและเรายังไม่ยอมเห็นด้วย ยังไงยังไงยังถือว่าตาของเราหูของเราจมูกเร่ยงกายของเรารูปแจงกนรถผลพาะของเราทั้งนั้นติดมั่นอย่างนะี้เนี่ยที่เราไม่เชื่อแลวเราไม่เห็นตาสัจจะของจริงจึงเรียกว่ายังไม่ทาเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเอาคันนี้มาพูดกันอีกทีหนึ่งสักชิตตรงไหนนะพุทธศาสนา ขลังตรงไหนล่ะท่านสอนให้ขลังตรงไหนให้สอนให้ักศิษตรงไหนไม่เห็นมีตรงไหนขลังไม่เห็นมีตรงไหนสักศิษนอกจากพูดได้เห็นของจริงตาเป็นจริงเท่านั้นถ้าหากจะพูดเราเป็นของขลังและของศักศิษก็คือเราปล่อยวางแต่ที่เราปล่อยที่เราวางได้นั้นก็ไม่ใช่ว่าสิ่งอื่นใดมาบรรษดดบรรดาลให้เราปล่อยวาง แต่ด้วยความที่เราเข้าไปรู้เท่าเข้าแยตาเป็นจริงถึงสัจจะของจริงยิงค่อยปล่อยวางได้ถ้าเจ้าพ่อมาเปรียบอีกใงหนึ่งที่เรามีปัญญาสามารถเข้าไปรู้จากสัจจะของจริงแล้วสิ่งนั้นเราถอนอุปทานถอนได้ในสิ่งนั้นเปรียบผู้พ่อมาเปรียบเหมือนน้าเหมือนกับลอยที่เป็นของเมา ธรรดากลอยคนทานก็ไปต้องเมาหากกลอยนั่นแหละเขามาหั่นแหละไปแช่ลงน้ำนะทุกวันสองวันชาวบนก็ตามเถอะน้ำนี่นมันซึมเข้าไปในเนื้อกลอยถึงไหนความมึนไอ้ลดเมาของกลอยนั้นไม่จะค่อยจากไปจากไปหมดไปจนกระทั่งรับประทานได้สบาย อันความรู้และความเข้าใจในเรื่องสัจธรัมมันก็ไปแก้แค่เส้นความมึนเมาคือความหลงของคนที่ไปหลงหยึดมั่นสําคัญว่าตนวตัวว่าเราว่าเขาให้จางไปจางไปจนกรทั่งอยู่ยึดเป็นสุขเพราะความไม้เข้าไปยึดก็เรียกว่าเราบริโภคลดของความสุข สบายนั่นใดเป็นอย่างดีนี่จริงว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องสักของศักดิ์สักจิทธ์ตรงนั้นแต่เป็นเรื่องพูดดังห่างแต่แท้ที่จริงก็ไม่ได้หมายว่าเอาไปสักจิทตวิเศษวิสูจอะไรในนี้ค้นถือศาสนาถือเป็นเครื่องศักดิ์สิทธ์เรื่องพิณิหารเลยใช้มากกว่าเลยไม่ยอมเข้าไปเห็นของจริงเลยไม่ยอมเข้าไปพิจารณาถึงสัจจค ตึ้งศาสนาเขาให้ศาสนาประสิทธิ์ประสาดสิ่งที่เตนต้องการในปรารถนาโนนให้ศาสนาประสิทธิ์ประสัดให้ให้ศาสนาหน่วยโชคลาภให้โนนไปโนนเสล้วเท่าที่อธิบายนี้ตรงไหนโชคลาภอยู่ตรงไหนประสิทธิ์ประสัดให้ตรงไหนไม่มีเลยถ้าไม่ได้สอนให้ประสิทธิ์ประสาทเรื่องหน่วยโชคลาภอย่างนั้นไม่มีหรือป้องกันพยัญชนะลายอย่างนั้นนี้ไม่มี มีแต่ท่านสอน้เห็นตามเป็นจริงว่าเกิดมาต้องแก่ต้องแก็บต้องตายไม่ใช่สอนให้ป้องกันเกิดแก่เจบตายไม่ใช่สอนอย่างนั้นแต่คนเราไม่ถืออะไรแล้วมันเป็นเรื่องขลังไปหมดเมื่อไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตนไม่ขลังและไม่ศักดิ์สิทธิ์ขานีโทษและคานี้ยกโทษพุทธศรานะทางที่ท่านไม่ได้สอนให้เราถือเป็นของเลัขอแต่เราไปถือเป็นของขลังของศิษ เมื่อไม่ไม่ขังให้ไม่สักจิตตามความปรารถนาของต น, นก็เลยโทษศาสนาไหว้พระสวดมนต์ทำบุญสนทานอยู่ตลอดเวลาแม่นวยโชคลาภทําไมต้องทำให้เกือร้านทุกจนอะไรทำนองนั้นหรือทําไมยังเก็บใครได้ป่วยแม่น่วยความสุขก็สะเลื่อยไหอย่างนั้นไงทําไมจะต้องวิโยคพันพาจากสิ่งที่เราต้องการในปรารถนาทําไมต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์สอนแล้วอ่ะ สัมปโยโกวิวปโยโกมันมีพัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาก็ไม่ดูอื่นกไกรล่ะเฉพาะตัวของเราก็ดูสิจะไหว้พระสวมนตทุกวันถวันก็ตามเลยหรือไม่ใช่ตัวงเราก็เช่นเดียวกันเช่นผู้ดีเจ้าผู้ท่านวิเศษสูงสุดกรุงนุดชาวโลกกระเทวดาขั้วหมดเมื่อแรกท่านก็ยังเป็นนมเป็นเด็ก ทำไมเขาเป็นหนุ่มทาไมมันหายไปเด็กหายจากหนุ่มก็แก่จนกระทั่งนิพพานถ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ทำไมพระองค์จึงไม่อยู่ตลอดการให้อยู่ตลอดการให้มันเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิสัยอันนี้หาได้เป็นเช่นนั้นไหมท่านสอนให้เห็นตามเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจแล้วมีประโยชน์เลยนะกรดังที่อธิบายแล้ว ประฐานเรยึดถือได้วิมุตต์คือความหลุดพ้นจากทุกข์ได้แก่การปล่อยวางคำสองพระเดเจ้าคือพุทธศาสนามีวิมุตต์เป็นยอดเยี่ยมมีศีลเท่ากับกิง่งต้นไม้มีสมาธิเท่ากับเปลือก มีปัญญาเท่ากับกะพีมีวิมุตเท่ากับแก่ถึงวมมุตเท่ากับแก่อันหมือนี้แหละที่จะรักษาศาสนาคือต้นไม้ตรงนั้นไว้ถ้าไม่มีกิ่งมีใบก็เรียกว่าต้นไม้ตายถ้ามีว่เปลือกยิ่งตายเข้าใกล้เข้าถ้าไม่มีเปลือก ก, ออ ก, ก็ไม่สามารถที่จะห่มห่อกบพีไว้ได้และกะพีก็จะต้องตาย กับพี่ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถที่จะไปบ่มลุงให้แกณฑเกิดขึ้นมาได้ตั้งแต่เปลือกตั้งแต่กิ่งใบธนูถนอมเชิดทูพุดนุนให้เกิดแก่นของต้นไม้นั้นพุทธศ า, ศาสนาพระองค์สอนให้มีศีลให้มีสมาธิมีภาวนาสนับส น, นุนเทิดทูนซึ่งกันและกันให้มีแกน่นมั่นคงทาวอนต่อไปดีทั้งนั้นน่ะ มีประโยชน์ทางนั้นน่ะแต่ว่าแกนแท้คือคือวีมุตดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติคือมาพิจารณาให้เห็นถึงเรื่องธาตุพูดถึงเรื่องแกนให้เข้าใจถึงเรื่องสักเทวธาตุไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เนื้อไม่ใช่ขเป็นเรื่องสักว่าธาตุธาตุอนินเป็นของเกิดขึ่งเราดับ ยึดใจแล้วไม่เข้าไปยึดมั่นเป็นของตนของตัวมันก็พ้นจากของทุกข์ถ้าหากเราไปยึดแล้วของอดีตนมนานร่วงมาแล้วตั้งเกปีสิปีก็ช่างมันจะเอามาทุกข์รุ่มใจขึ้นเดี๋ยวนี้แหละให้ปลากออกขึ้นเดี๋ยวนี้แหละนั่นนันความยึดจะเป็นไงเงินนำทุกข์มาเงินหรือในอนาคตข้างหน้นนาถ้าเกาิดก็จะเป็นทุกข์เดือดร้อนก็จะแก่แก่เท่าชะลาก็จะไม่มีใครดูแล้วรักษา เลยเป็นทุกข์ยังไม่ทันถึงวันนั้นเนี่ยทุกข์ก่อนเดี๋ยวนี้เพราะเหตุนี้พระอง์ยังสอนให้เห็นัใ้ว่าแก้ทุกข์เดียวนี้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ถ้าเราปล่อยวางได้แล้วไม่ต้องกลัวมันจะเป็นไงก็ไม่ต้องกลัวถึงวันนั้นแล้วก็ปล่อยวางได้แล้วปล่อยวางได้วันนี้วันนั้นก็ต้องปล่อยวางได้นีพระรีเยวสอนให้เราวาง เห็นว่าอุปสัสฐานคือตัวของเรานี่ยแหละเป็นของมีสาระของที่เห็นเป็นของมีสาระนี่แหละคือมันปล่อยวางอัตตานุติฐิถือว่าเราว่าเขาได้อัตตานุทิฐิถือตนถือตัวที่เราถือเขาเพราประทานแท้ๆถ้าเราเห็นมิจฉาเป็นสัพท์ว่าธาตุไม่มีสาระแก่นสา เรียกว่าเห็นอนัตตาเข้าใจอย่างนี้อนัตตาจะไปเข้าใจว่าไม่มีคนเข้าใจอนัตตาไม่ไม่มีนั้นพูดยากพูดของอมียากจะต้องโตกันตลอดบันข้า ง, งพูดของมีต้องโต้กันดีๆถ้าพูดของอมีดังเทธิบายนย้ไม่มีการโตกันเลยของมีที่ให้เห็นของอมีที่เป็นของ ไม่มีสาระจริงคือเรียกว่าอนัตตาคือหาสาระไม่ได้นันจริงจึงเรียกว่าอนัตตาของไม่มีจะเรียกว่าอนัตตาได้ไงจะ อ, อะไรมาเรียก น, นของไม่มีเรียกของไม่มีของมีมันมีสาระใ น, นต่างหากเป็นอนัตตาถ้าพูดอย่างนี้ใครจะมาเถียงได้ทุกคนเห็นเดียกันทางนั้นแหละไม่มีใครเถียงกันหรอกนัน้าทางที่ถูกแล้วที่เป็นสัจธรรมแล้วจะไม่มีการโต้แย้งกัน ทุกคนเห็นเดีวยวกันทั้งนั้นเว้นเสียแต่ว่าจะละได้หรือไม่ได้นั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากละได้หรือไม่ได้อยู่ที่ใจของเราจะนักแน่นมั่นคงมีรากฐานเพียงพอในการละนั้นหรือไม่คือความสงบความสงบมีหลักฐานเพียงพอเห็นชัดตาเป็นจริงแล้วตั้งมั่นอยู่ใดถ้าความสงบไม่พอถึงแม้จะเห็นแล้วบางที่หลังก็กลับไปยึด เหตุ น, น่จึงพยายามที่สุดที่จะรักษาความสงบนี้ไว้ให้มมากให้หาลากฐานพื้นฐานไว้สำหรับตั้งพระธรรมใช้ก่อนคือให้ตั้งลากฐานให้มันมั่นคงคือความสงบนี่ธรรมะจึงจะมาปรากฏขึ้นที่นั้นคือเห็นชัดึ้นในที่นั้นแล้วจึงจะตั้งไว้ได้ตลอดกาลมา